เราก็มนสกคู่นะอัตตรา์มาพาพวกเราสวด อ, อรอยิยมรรคมีองค์แบบใครทานกันคือคือทางสายการนะ อ, อะรอยิยมรรคมีองค์แบบคือ ท, ทางที่ เรียกว่าทางส่กลางทางทีอ่ออกจากความทุกขนะนะ์ทางนั้นทางส่กลางไม่ใช่ว่าที่จริงนะมันไม่ใช่ว่ามันต้องแบบเอาเอาทางสุตโตรงสองทางนะเช่นทำร่างกายให้ทรมานหรือว่า ไปเตยความสุขให้สนุกสนานแล้วก็เอาเอามาบวกกันแล้วกหารสองนั่นไม่ใช่แบบนั้นนะเพราะว่าแต่ก่อนคนคนคนใหญ่นะคิดว่าเราต้องอทำอะไรก็ได้ท้ามีความสุขสนุกสนานที่สุดนะคนก็อาศัายการกินความสนุกเป็นความสุขอาศัายการเที่ยวเป็นความสนุกสนานเป็นความสุขส น, นะ ถ้าใส่กันเตะทางกาบ้างทางทุกอย่างทางกาทางนี้การคือทางตาดูชอบดูของสวยๆทางเสียงก็ชอบฟังเสียงที่ไพเราะทางลิ้นก็ชอบอาหารรสชาติที่อร่อยทางกายก็อยากจะสัมผัสของที่มันนุ่มนวลฟันนิ่ะ ทางใจก็อยากจะรู้สึกแต่สิ่งที่ดีมีความสุขอันนี้คือผลก็สแสดงหาสิ่งพวกนั้นวัตถุสิ่งของเพืก็สนองการมุ่งคุณต่างๆเขาจะได้มีความสุขนะแต่ที่จริงแล้วก็มันก็ยังให้สุดที่แท้จริงนะมันนี่คือทางสุดโตง่นะ ง, ด, ตงด้านหนึ่งทางสุดโต่งอีกด้านหนึ่งพระเจ้าท่านก็ คีดว่าเมื่อแสดงหาความสุขถึงที่สุดแล้วแม้ความสุขจากสมาธิมันก็ยังไม่สุดถึงที่สุดจริงๆเพราะว่าเข้าสมาธิมันก็ยังต้องออกกลับมาจากสมาธิเมื่อออกจากสมาธิมันก็ยังไม่สงบจริงๆมันก็ยังมีกิเลสอยู่คนก่อนพระเจ้าท่านจะมาตจะรู้นะคนก็คนนึงก็แสดงหาความสุขแบบสุดๆนะ อีกเกิดหนึ่งก็แสดงหาความแบบทุกข์แบบสุดๆดก็มีนะทุกข์ขนาดไหนไม่ไม่กินข้าวไม่กินกินน้ำก็คงกินน้อยๆนะบางทีพระเจ้าท่านกั้นลมหายใจนะกั้นลมหายใจไม่หายใจเข้าไม่ให้หายใจออกบางทีท่านก็ ทรมานนั่งนานๆเดินนานๆนานที่นี้เป็นวันเป็นหลายๆวันอะไเนี้ยแต่เอาแบบทรมานสุดๆเลยนะเนี่ยคือพอคิดว่าอะไรพ่อคิดว่าถ้าทรมานตายถึงที่สุดจิตมันคงยืนทนยอยู่กับกายไ ม, าไม่ได้หรอเหมือนได้ผลเอ้กไปผล ค, คล้ายๆเหมือนกับอาจจะคิดว่าเหมือนอ่าสมมติมีมีตัวอะไรนะั่นอยู่ในรังอยู่อยู่ในรู เราก็ไปแกงเขาอแกงเขาตรหนันเข า, เข า, า, เขาที่เขาเช่นเอาไฟไปเผาเอาไม้ไปตีคนนั้นนะ่ะเขาก็ทนอยู่ในรังอยู่ในรูไม่ได้เขาก็ต้องหนีออกมาคนอาจจะคิดตำหนันแบบนั้นนะ่ะคิดว่าถ้าพอตรหนันกายให้ให้เยอะๆนะ่ะจิตมันจะได้หีผลไม่ต้องไปยิดกา ย, ยจิตใจอแต่จริงมันก็ ยิ่ทงทําไปก็ยิ่ทงทรมาณสัวเกา่าอันนี้คือทางสุดโต่งที่ที่หลายๆคนได้ได้ประสบพบเจอแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องทําแบบไหนให้มันถึงจะถึงจะเป็นทางสายการาจริงๆเ <c oughs> นี่ยคนบาีพอไปยึดว่าแบบนี้มันใช่แล้วเดี๋ยวทําไปเรื่อยๆเดีมันดีเองประมาณนะั้นแต่พู้เจ้าท่านทาไปเรื่อยๆ แต่ท่านเป็นคนที่ทำถึงที่สุดจริงๆทำจนสุดทางเส้นนั้นเช่นการมีความสุขแบบสุด ๆ, ๆท่านก็ทำมาแล้วสุขจากสมาธิแบบสุด ๆ, ๆก็ทำมาแล้วทุกจากการทรามาน ก, กายกับสุด ๆ, ๆก็ทำมาแล้วท่านรู้ว่าพอทาถึงที่สุดจริง ๆ, ๆปายทางมันไม่ใช่ความนพนทุกข์ท่านเลยต้องกลับมาทบทวนว่า ถ้งทางไหนเป็นทางพ้นทุกข์ในตำลาเขาว่านะรู้จริงหรือไม่นะมีเทวดานะนะนั่งอยู่แปลงกายนะมานั่งอยู่บนเรือเรือล อ, อยล่องผ่านนะ ข, าข้างกับที่ที่พระเจ้าท่านประทับอยู่นะเทวดาก็บรเลงกิน ได้เสียงเพลงที่ไพเราะโค้เจ้าก็ระลึกได้ว่า อ, อพินมันมีสามสายพินถ้าเราดึงให้ตึงเกินไปมันก็อาจจะขาดพินถ้าเราตึงสายหย่อนเกินไปเสียงมันก็หย่อนยานไม่ไพเออราะคือขนาดเสียงเพลงอ่าเครื่งองดนตรีเขายัางต้องดึงให้มันพอดีปรับให้มันพอดี เสียงมันตื่นใจไปแร้วเราเองก็เหมือนกันพราะฉะนั้นกำลังทรมานร่างกายอยู่เราเองก็ทําให้ร่างกายเราเป็นทุกข์มากจับหน้าท้องทะลุถึงตังลูปแขนขนก็รูดร่วงเลยนะไม่มีเรี่ยวแรงเราไม่มีเรี่ยวแรงทางกายแล้วจิตมันจะมีเรี่ยวแรงได้อย่างไรดฉะนั้นเราเองก็ต้องทําให้ร่างกายมันมีเรี่ยวแรงสักหน่อย เราไปมาถึงจิตถึงจะมีเรี่ยวแรงได้ท่านก็เลยเริ่มนะเห็นนะเห็นว่ามันไม่ใช่ทางนะทางพอดีต้องทำให้ร่างกายมีเรี่ยวแรงแต่ไม่ใช่บำรุงกายให้ให้สนุกสนานนะเพียงแค่พอมีเรี่ยวแรงก็เอาเรี่ยวก็เอาเรี่ยวแรงนั่นแหละมาบำเพ็ญเพียรทางจิตอันนี้คือท่านเริ่มเห็นแล้ ว, ว่าเออทางตัวนี้มันคือทาง ความพอดีนะทางสาอืาแต่ถ้าเราพิจารณา่ยมันก็แยกเป็นแปดอย่างแล้วก็ไปดูตัวเองแล้วกันว่า อ, อมัดแต่ประการเนะี่ยตัวไหนเราพอจะทําได้แล้วตัวไหนเรายังรู้สึกว่ายังห่างไกลนะต้องดูนะออแต่บางทีถ้าเราทําถูกตัวหนึ่งแบบถูกจริงๆนะทุกตัวมก็จะมาด้วยกันนั่นแหละ แต่บางทีท่านยังไม่ถูกจริงๆมันก็จะมีบางข้อที่เราทําได้ทําได้ก่อนโ mm. ดยเฉพาะข้อที่เกี่ยวกับเรื่องทางทางกายนะแล้วก็เรื่องทางวาจาร์เราสามารถทําได้ก่อนบางทีแล้วอเช่นสัมมาอาชี IT วะนะการยินชีวิตที่ชอบที่ชอบนะไม่เปลี่ยนนะเรียนนะเรียกว่าไม่เป็นอาชีพที่อนะ เก <hiking> ี่ยวข้องกับคำใบยมุกปรืเภทต่างๆนั้นเราก็ทำได้เลยลัหลายคนก็มีอยู่แล้วนะหรือว่าการการทำชอบนัก็คือการมีสินั่นแหละนะไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ต้องดื้อผิดในการนะไม่ดื่มของมนเมามุกนี้นก็มันก็คือสติที่เราก็สามารถทาได้ก่อนเลยละนะหรือสัมมาวาจาสัมมาวาจาค ก็ตันไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาไม่พูดเทอเจอไม่พูดสอนเสี่ยหลายคนไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาหลายจุดคอทำได้แต่มีพูดเธอเจอร์ไม่พูดสอนเสี่ยเนี่ยคนทีก็ขาดไม่ได้ะพูดเธอเจอรเพราะอะไรก็หลงใช่ไหมหลงพออยู่ในวงกับเพื่อนก็เมากันกระจายเมาสียใจก็มินาก็คือสอนเสี่ย อือนะคือแนี่คือสัมมาวาจานะพอมีมากกวาการที่เราไปพูดเท็ปหรือพูดคำอยาดเนยะเราก็ดูแต่เองว่าอะไรที่เราทำได้เรายัางทำไม่ได้นะอืมนะอันนี้สัมอ่ามันเป็นเรื่องทางกายแล้วก็เรื่องทางวาจาซึ่งน่าจะพอทำได้ง่ายกว่านะอ่าทำได้ง่ายกว่าแต่ ส่วนที่เป็นเรื่องของใจเนะี่ยอาจจะยากขึ้นเช่นสัมมาสมาธิเข า, ามีสมาธิที่สูงขึ้นหรือว่าการที่มีสมมาทิฏฐิสมาทิฏฐิเนี่ยจะเรียกว่าสมมาทิฏฐิเบื้องต้นก็ก็ได้แต่สมมาทิฏฐิถึงที่สุดมันก็ไป็อีแบบหนึง่งการเห็นทุก อย่างแจ้งแจ้งเนี่ยมันมันคือที่สุดแห่งทุกขจริงๆนะเพราะฉะนั้นบากีเราอาจะเข้าใจว่ามันเป็นทุกข์แต่เมื่ไหร่จะเข้าใจความเป็นทุกข์ในระดับปุถุชนก็มีหรือว่าเรื่องขัง้นก็มาเราก็จเข้าใจความเป็นทุกข์ในระดับที่เป็นอริยะบุคคลอริยสงฆ์ขั้นต้นก็มี ตอง น, นั้นจะเห็นทุกข์ทางด้านร่า ง, งกายไม่ยิดมั่นหรือมั่นทางร่างกายรด้ชัดเจนแต่ก็ยังไม่เห็นความเป็นทุกข์ของจิตใจยนะังคิดว่าจิตใจมันเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นความสุขสิ่งที่เป็นสิ่งที่พอใจสุอยู่ก็ยังยึดตรงนั้นอยู่ก็มีแต่ทั้งถึงที่สุดเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งนะทั้งกายทั้งใจเป็นทุกข์ก็ปล่อยวางเหมือนกันแต่มันก็จะข้ามขั้นก็ไม่ได้ มันก็ต้อง้าดท่านเลยทิ้งเลยก็ไม่ได้มันมันก็ยังไม่ให้ของจริงนะมันยังเป็นการคิดเอาเราก็ต้องทำปฏิบัติตำหนักสํานำไปเอานั้นสามมาทิฏฐิเนี่ยก็ถ้าทิฏฐิก็คือความเขีนที่มันถูกต้องถึงนิสิตก็คือเขีนอย่างนั้นแต่การดตำติชอบเนี่ยเราก็พิจารณานะ การดังดิบในการาไม่เบียดเบียนการดังดิบในการไม่มุ่งร้ายพยาบาทการดังดิบในการออกจากการเนี่ยเราก็ดู ว, วันวันหนึ่งจิตมันคิดแบบนั้นบ่อยไหมคิดเบียดเบีย น, นเปนตื่นคิดพยาบาทบเปนตื่นหรือคิดในการ อ, าอยู่ในการบ่อยหรือเปล่า คนทั่วไปบางทีก็นวนเรียนเรียนยางบเรื่องนี้นแต่ถ้าเราเรียนสีแรกหรือว่าท่ามกลางาเองก็ดีมันก็ยังมีความคิดวนบนพวกนี้อยู่น ะ, นะแต่เปลียนแต่ว่าเราเห็นมันได้เร็วขึ้ น, นในเรื่องของความคิด น, น, น, ะนะเรื่องของความคิดมันจะเห็นได้เร็วขึ้ น, นอักขบถก็ดีนะ ต่างๆมันเกิดขึ้นมากมายแต่เราจะเห็นมันพอเราเห็นมันเราก็ละมันเร็ ว, รวมันยังไม่ถึงขัง้นการที่เรียกว่าไม่มีไม่มีคิดแต่ด้านเป็นกุศ น, นตลอดนะมันยังไม่เปลี่ยนขนาดนั้นแต่สิ่งที่เราทําได้คือเรารู้ทันมันรู้ทันมันแล้วก็มันก็จะละของมันเองให้ผมแน่นนะ เรื่องกายเรื่องวา จ, จาแลก็เรื่องของทางใจนะที่จริงมันก็สัมพันธ์กันทั้งหมดัลนแหละแต่ท่านก็แยกให้เราเห็นชัดๆว่ามันมีอะไรบ้างเนานะเราเ็นก็แยกเพื่อไปดูก็ได้ว่าเราพอจะทำอะไรได้บ้างแล้วอะไรที่เรายั ง, ย, งย่อหย่อนยังขาดอยู่มันมี เอส่วนที่เป็นสัมมะสัมมาวายามะนะความเพียรชอบเราต้องเข้าใจความถ้าเราเข้าใจความเพียรชอบนะแล้วก็เข้าใจเรื่องสัมมาสติชอบนะเนี่ยหมายว่มามันเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนมรด้วยเลยนะนะถ้าเปรียบเหมือนกับถ้าเปรียบเหมือนกับรถนะมรดเหมือนกับรถจะมาว่า อสัมมาวายามะสัมมาสตินะอาจจะรวมถึงสัมมาสัมมาชิตด้วยนะมันเหมือนเป็นเครื่องยนตนะ์เครื่องยนที่ขับขับเคลื่อนรถนะให้เราไปอนะไปสู่สิ่งต่างๆได้แต่สัมมาอย่างอื่นก็เป็นส่วนประกอบซึ่งก็ขาดไม่ได้เหมือนกันนะแต่ตัวนี้มันเหมือนเป็นเครื่องหลังก็เลยการมีสติเนะการระลึกได้นะ ก็คือการนึกรู้ถึงกายรู้ถึงเวทนารู้ถึงจิตรู้ถึงธรรมซึ่งมันต้อือที่เกิดของนที่เกิดของการกระทำกายวาจาใจน่ะมันเกิดขึ้นถ้าเรามีรู้ตัวมันต้องไม่รู้เท่าทันโดยเฉพาะกิเลสมันเกิดขึ้นที่จิตที่ใจ มันเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นมาถ้าเราไม่รู้ทันมันก็ถูกความไม่พอใจมันได้งานเกิดกุอกุศลขึ้นในใจเราไม่รู้ทันเราก็ละอกุผลไม่ได้มันก็ไม่มีความเพียรนะความเกียรชอบจรงจริงอกุผลเกิดขึ้นละอกุผลออกไปจากจิตจากใจได้นี่คือความเพียรอ่อกุผลยังไม่เกิดป้องกันไม่ให้อกุผลไม่เกิด ทำไม่ได้ก็ไม่ได้ความเปี่ยนกุศลที่ยังไม่เกิดสร้าง ส, สุศลให้เกิดขึ้นกุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจรินให้มากขึ้นอันนี้คือความเปี่ย น, นความเพียนไม่ใช่ว่าเราต้องปฏิบัติยกมือเดินจำกรมนั่งสมา่ิไม่ต้องทำอย่างอื่นอันอนั้นยังไม่ใช่ความเปี่ยนจริงๆนะ อันนั้นเป็นความเปลี่ยนโดยรูปแบบแต่ความเปนี่ยจริงๆคือเนี่ยแหละความเปลี่ยนในการระอับขุนสนป้องกันอัุนสนไม่ให้เกิดขึ้นเปลี่ยนในการเจริญอับขุนสเปลี่ยนในการกดกดยังไม่เกิดก็ให้อขุนลมันเกิดขึ้นแต่ต้องเข้าใจให้ถูกเหมือนกันนะว่าคําว่าระอัุนสนไม่ใช่เรา เป็โผงอาตุสนไม่ใช่นะเอเช่นเมันไม่พอใจเราเขายังติดโกรธติดโผงเขาไว้ะมันก็เป็นมันก็ดีในในแง่ที่อาจารมาว่าเมืุ่วานบางทีมันก็ดีในแง่เรายังไม่เผลอไปพูดไม่เผลอไปทำร้ายเขาตามความโกรธก็ดีระดับนั้นแต่มันก็ยังทําให้ใจมัทุกข์อยู่และอาตุสนที่จริีคือเห็นอาุสน เห็นอคติเกิดขึ้นเห็นเฉยๆอคตนมันก็ดับไปตอนนั้นเองนะเป็นการละได้จริงๆป้องกันอคติไม่ให้เกิดขึ้นคือทำอะไรมีสติรู้กายอยู่นี่แหละมีสติรู้กายรู้การจะทำของเราเนี่ยอุศิไม่มีอุติไม่มีโอกาสเดินมาเข้ามนแทรกคือเป็นการป้องกันอุติให้เกิดขึ้นเรามีสติรู้ตัวของเราอยู่ หรือถ้าอกุศลเกิดเข้ามาแทกเราก็มีสติรู้ทันมันก็ละอกุศลลงไปกุศลก็มาแทนที่กุศลก็คืออะไรกุศลก็คือเนี่ยมีสมาธิที่ตั้งมั่นขึ้นนะบางครั้งก็มีองค์ขององค์ประกอบของสมาธิต้อมาประกอบนะกราทำไปเรื่อยๆมันต้องมีปีติมีความสุขนะมีอุเบกขา มันต้องมีต้างมาประกอบของมันอันนี้คือสามมาสัมมาทิฏฐิสัมมาสัมมาทิฏฐิไม่จะเป็นว่าเราจะต้องนั่งนิ่งนิ่งเราต้องสัมาสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันอยู่ในมันอยู่ในความเทียนชอบมันอยู่ในสติชอบอยู่ด้วยกันในนั้ไม่ได้แยกออกจากกันเนนมื่อไหรที่เรามีสติเมื่อไหรที่เรามีความเทียนที่จริงมันก็รุบลวมถึง มัดข้ออื่นนี่แหละสมาสมาที่จะเกิดไม่ได้ตอนคิด ท, ที่จิตคิดพยาบาทเปลียวว่ยน ม, มันต้องนักความพยาบาทก่อนอจิตถึงจะตั้งมั่นจิตถึงจะมีความสุข ม, มันไม่ใช่คนทั่วไปนะที่แบบมีความสุขที่ได้คิดไม่มีมีความสุขที่ได้คิดไปทำร้ายคนอื่นอันนั้นเป็นความสุขแบบคนที่ไม่รู้ตัว ใช่ไหมเขาพอใจถ้าได้ถ้าคิดจะไปแก้งใครนะมันเกิดความพอใจเนะคิดว่าจะได้เอาของคนอื่นมาเป็นของเรามันมีความสุขอันนั้นเนะี่ยไม่ใช่เป็นตัด ม, มาจริงๆนะแต่ตัดมาตัดมาที่จะเกิดได้นะมันก็ต้องได้อุศลก่อนนะมันถึงจะมีถึงจะมีกุศลเกิดขึ้นมาในจิตในใจของเรานะแต่มันไม่ใช่ว่า สมาธิที่มันต้องสงบอย่างเดียวสุขสบายอย่างเดียวแต่สมาธิที่มันประกอบเป็นสมานะที่จริงก็คือจิตเราตั้งมั่นนะจิตเรามีอุเบกขาแลวแรงอยูย่สำคัญเลยนะอนะุเบกขาก็คือการวางเฉยการเป็นการนะการไม่เข้าไปจัดการนะ ไม่เข้าไปยุนนะ่งนกับสภาวะทั้งที่เกิดขึ้นนะเป็นผู้ที่มีสติเเรดูอยู่นนะยนะเฉยถ้าใส่หรือถ้เกี่ยงสีกาพูดง่า ย, ยนะรู้เฉยเฉยรู้ซื่อๆนะถ้ารู้เฉยๆรู้ซื่อๆเนี่ยเป็นคือว่าท่าสรุปให้เราง่ายๆนะเป็นมารเลยก็ว่าได้นะมารไม่องแตกนนะ่ะเนี่ยอันนี้ถ้าเป็นเรื่งองทางจิตทางใจนะ รู้คิดรู้ซืๆๆนะ่อๆเนี่ยเป็นการเจริญมากแต่มันอาจจะมีทางกายนะทางวาจานะมันก็ถ้าเรารู้ซื่อๆดูเฉยอัตโน้นแล้วก็ฟ้องมันจิดไม่ได้หรืออัตโนนเกิดขึ้นมาเรารู้ทันคำพูดที่จะไปต่อเสียกันอื่นมันต้องคิดขึ้นมาก่อนนะมันถึงพูดใช่ไหมอืมมันต้เกิดความรู้สึก เป็นต่อที่อายุสึกทั้งอิจฉาเจริญความสนุกน่ก็เลยเกิดเป็นอารมณ์ต่อเยตขึ้นมาถ้าเราเห็นความอิจฉาฝุดในใจเห็นความสนุกสนานเห็นความก็คือมันที่จริงเป็ความเห็นผิดที่เราเบียดเบียนมนอื่นนั่นแหละเราเบียดเรียนไอาจจะไม่ได้ไปทําร้ายทำอื่นทางกายแต่เราเบียดเบียนมันอื่นทางวาจานะ ถ้าเราเห็นโทของการเดียงเทียนมันก็จะละการเดียงเทียนได้นี่คือมันเกิดความรู้สึกขึ้นในใจก่อนเกิดความคิดปรุงแต่งขึ้นก่อนแล้วเราก็ค่อยพูดตามความคิดอารกระทาก็เช่นเดียวกันนะมันก็ออกมาจากความคิดก่อนดังนั้นที่จริงมัจทั้งหลายมนะัมันก็เกี่ยวเกี่ยวข้องด้วย ด้วยกายวาจาแล้วก็ใจนั้นเราทําอย่างไรเราถึงจะรู้ทันกายวาจาแล้วก็ใจเนหลยนะถ้าเรารู้ทันกายวาจาแล้วก็ใจลงที่ปัจจุบันได้เราก็เจริญมาร์กได้แต่ถ้าเราไม่รู้ทันนะมาร์กมันก็หายไปนะไม่ใช่ใจไปรู้ว่าเราไม่น่าพูดเลยอันนั้นมันอาจะจะเกิดเป็นความ ถ้าเราไม่มีสติเข้าไปใหญ่นะแลยิ่งกลายเนความทุกข์ทนะุกข์เพราะว่ารู้สึกผิดนะแต่ถ้าเรามีสติระลึกรู้ด้วยสติอืมนะมันก็เป็นการเตือนเออไม่ได้ทุกข์นะแต่ก็จะไม่ประมาณอีกนะจะไม่ประมาณจะไม่ทำพลาดอีกเป็นความเป็นอธิฐานนะเป็นความตั้งใจ ที่ให่ไม่ทำผิดสินอีอนะไรนั้นมันจะเป็นตับไตนะพอตั้งใจใจจะตั้งมั่นอธิษฐานขึ้นมาตั้งใจใจจะตั้งมั่นมั่นคงแต่ถ้าเออ่รู้สึกผิดแต่ทุกอยู่เนะ่ะใจมันจะรู้สึกอ่อนเอียวรู้สึกไม่มีเรี่ยวแรงมันทุกเพราะว่าเราไม่น่าทําเลยนะีะมันมันคล้ายๆกันแต่มันไม่เหมือนกัน แต่เรามีปฏิจจจริงๆนะมันจะค่อยเกิดความเข้าใจในทางที่เราเดินแล้วสิ่งที่สาคัญก็คือเราเอามารคนี่แหละไปใช้ในชีวิตของเราตนะั้งแต่ตือจนหลับหรนะือแม้แต่หลับเองมันก็เปคุ้มครองนะเมื่อเกิดฝันในการเบียดเบียนคนอื่นฝันในการเปเรียบเทียบการเมตตาต่างๆนะ ออสติกสมาธิปัญญาที่เราฝึกไว้ในตอนกลางวันนั่นแหละมันก็จะเข้าไปรู้ทันแล้วมันก็จะละได้เลยมันก็จะละตรงนั้นนะเมื่อันมันฟุ้งคลองตั้งแต่เราตื่นจนทั่งเราหลับเลยนะอืมถ้าเราปฏิบัติจริงๆเขาจะค่อยๆเกิดขึ้นมันไม่ใชเรื่องมันไม่ใชเรื่องที่อเราแค่ฟังครูบาอาจารย์พูด แต่เราทําจริงๆเราก็จะเห็นคนอย่างที่ครูบาอาจารย์พูดนั่นก็ชีวิตของเราเองก็จะเนะดินทางอย่างอางบ้านคงนะท่านอามารเจ้าหลวงพ่อเตียนะคนที่มี ต, ตินะเหมือนช้างเดินช้างเดินไหมเดินแบบมั่ น, บบนคงทีละก้าวทีละก้าว หมาจะเอาช้างก็ไม่กลัวหลวงพอเปรียบเทียบกิเลสมือนกับหมาคนมีสติเหมือนกับช้างนะหมาเห่าช้างช้างย่อมไม่หวั่นไหวนะเราเองท่ามิสติ ก, ก็เหมือนกันกิเลสมันมาเอามันมายี่อวันมันมาอยู่วนนะเราก็ไม่หวั่นไหวอันนี้แหละฮนะคือคือเรียกว่าอรีมัชมีองแต่เนะ เราก็พยายามเจริญก so ันเนาะทั mad, ้งทางกายทางวาจาทางใจอันนี้ค yeah. yeah. ือเหตุนะมัดคือเหตุเมื่อเราทําเหตุถูกนะผลก็ต้องเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ต้องค้อนบอลขอร้องนะเพราะว่าถ้าเราทําเหตุถูกต้องสมบูรณ์ความไม่ทุกนะความคล่ทุกมันก็ต้องเกิดขึ้นแน่นอนโดยไม่ต้องว่าเราอยากได้นะ เราต้องการหรือไม่เ้าทําเหตุถูกผลก็ย่มอมเกิดนี่คือเราก็ทําหน้าที่ของเราตรงนี้แหละนะแต่ทําแบบอย่างมีหวางผลทําด้วยความชอบนะที่จริงทํา ม, มาแต่ว่าชอบนะชอบทําไม่ใช่อย่างชอบจะเอานะชอบที่จะทําอแต่ไม่ใช่ทำแบบชอบก็โลงนะชอบที่จะทําสิ่งที่ถูกนะถูกทบถู ก, ถก ทำนองคองธรรมจะเรียกว่าชอบที่ทำสิ่ง ท, ท, ที่ถูกทำนองคองธรรมอะไรก็สิ่ง ท, ที่ผิดต่อไปผิดมันจะไม่คมันจะไม่ไม่ปรารถนาที่จะทำแบบนั้ น, นมันก็จะรักได้ง่ายนะนะมันก็จะเดินมาถูกทางได้บ่อยขึ้หนหลักก็ก็ฝากไวน้ะ